พวกที่ยังหวังรวยในเรือในพลาในบัตรในเบอร์พวกเรานี่เป็นโลกีศาสนาถึงจะถือศาสนาพุทธก็ตามแต่ก็ยังไม่เข้าถึงจะเป็นพระบวชกี่พรรษาก็ตามจะมีผู้นับถือหือหาโด่งดังสักเพียงไหนก็ตามจะมีราบวันละกี่ล้านก็ตามก็ยังเป็นโลกีอยู่ ถ้ามีความคิดความเห็นอย่างนั้นถ้าผู้ใดไม่มีความคิดความเห็นอย่างนั้นแม้จะบินทบาดดโดยรีแครงก็าตามจะถือกระเบื้องขอทานถือกระบานขอกินสักเพียงไหนก็าตามก็เป็นโลภุตระกิจโลภุตระธรรมส่วนชาติท่านวันนะราบยศไม่เป็นปัญหาอนนั้น เพราะพุทธศาสนาเนีขึ้นอยู่กับลาบน้อยลาบมากลาบภายนอกโสดาบาันสัคตาคามีอานาคามีเป็นมหาลาบอยู่แล้วเป็นมหายศอยู่แล้วเป็นมหาานเสรนอยู่แล้วพ่อหน้ปาปสาชนะเสรนพ่อโล ก, กุตระสนะเสรนเป็นมหาซับอยู่แล้วคือโล ก, กุตระซับ เป็นมหาปัญญาอยู่แล้วคือโลกุตระปัญญาเป็นมหาศีลอยู่แล้วคือโลกุตระศีลเป็นอริยรัพยอยู่แล้วคือโลกุตระรัพย์สัพใจรัพธรรมสัพย์จมพวกนี้โจรลักไม่ได้ไฟไม่ไหม้สัพต่ำกว่าพระโสดาบันลงมาโจรลักได้ไฟไหม้ได้ จิตใจก็ยังกวกแวงทับภายในเหมือนไม้ลอยนะ้ำหมูมากก็ลากไปเห็นหมูมากทางไหนก็เข้าเลยถ้าถึงพระโสดาบันแล้วในแต่โลกธาไหเนี่ยใครจะไม่นับถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็ตามเราไม่มีที่กินที่ทานเราก็ภาวนาตายตั้งโสดเป็นโสดตาอย่างนั้นพวกนะ เุียชไนพระพุทธศาสนาจึงมีผู้นับถือน้อยก็เพราะเหตุว่าพระพุทธศาสนาเป็นของสูงเป็นของมีคุณค่าผู้อาศ น, นาต่ำต้อยชไนจะมากยนดีในพระพุทธศาสนาได้เพราะพระพุทธศาสนาเป็นของดีมีค่ามาก ศาสนาอื่นไม่ได่าดืนทมเถเป็นศาสนารับจ้างถ้ากิเลสยังมีอยู่จะอะไรไปจ้างอีกมันก็ยินดีแต่เวลาได้เวลาไม่ได้มันกดไม่พอใจในศาสนาพระพุทธศาสนาไม่เป็นอย่างนั้นเห็นโทษเห็นภัยในวัตาสงสารอย่างเต็มที่ด้วยเห็นคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเต็มที่ด้วยเห็นการปฏิบัติเพื่อลดพ้นอย่างเต็มที่ด้วย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 เมื่อเขาไม่ดื่มก็ไม่มีอาการที่จะจ้างอีกก็มองไปเป็นกรรมของสัตว์เท่านั้นเมื่อบอกให้เขาสนเข็มเมื่อเขาสนมาได้ก็ถือว่าเขาเป็นคนตาฟางเท่านั้นจะไปสนแทนให้ก็แทนได้ได้ครั้งเดียวเท่านั้นแหละแทนจะแทนยังไงแต่สนเข็มก็ยังมาเป็นทําไมจะเย็ยบเป็นทีนี้ นาีพาราปเร น, นายากาคนพาไม่ใช่คนหัวหน้าบันทิตาปรร น, นายากาบันทิตานั่นเป็นคนหัวหน้าบันทิตในที่นี่หมายถึงพระโสดาบันคนพาในที่นี่หมายต่ำกว่าพระโสดาบันลงมาบันทิตก็เป็นนักบาตรในจิตของตนคนพานก็พานจิตของตนพานความประพฤติของตนนั่นเอง คนยินดีในชาติได้พบเพื่ออยากจะเกิดหลายชาติหลายพบ ก, ก็คือคนผ่านคนหลงของตนคนผ่านตนคนหลงตนเพราะยังมืดมนอ น, อนทาการอยู่ยังเป็นพระหุระกรรมกรรมชินอยู่กรรมชินในทางที่เป็นโลกีไม่ใช่ไม่ใช่กรรมชินในทางที่เป็นโลกุตระ กำชินในทางโลกุตละหมายถึงพระโสดาบาันสักคาคามีานาคามีส่วนพระอรหันต์พ้นจากกรรมชินไปแล้วไม่จัดเป็นกรรมเป็นอาโหสถกรรมไปแล้วถ้าโหสถกรรมไม่ได้จัดท้าโหสกรรมกรรมชินแบ่งเป็นสองทางแบ่งเป็นโลกีอย่างหนึ่งเป็นโลกุตระอย่างหนึ่งมานห้าขันธมานมานคือปัญจขันธ ลูกเวทนาทัญญาสังขานวิญญาณเป็นมารเหมือนกันมารในที่นี้หมายควร์มันไม่มีที่ยงเกิดขึ้นแน่าแปรปรวนแตกสลายเรียกว่ามารที่นี่เมื่อกิเลสไม่ไปยินดีในลูกขันนามขันกิเลสสมานเป็นของสําคัญขันธามารคือจิตปั่นจะขันกิเลสมารมารคือกิเลสอภิสังขารมารมารคืออภิสังขาร เทวปฏมาหมานคือเทวบุตรมัจจุมาหมานคือมรณะมัจจุมาหมานคือมรณะสามารถจะได้อรหัตตมรักอรหัตตผลในชาตินี้แต่ว่าความปัจจุความตายเป็นมารมาก่อนซะมัจจุมาหมานคือมรณะเหมือนอราระดาบุตรกาดาบุตร ถ้ายังมีชีวิตยอยู่กว่าสมเร็จพระหัตน์ในชาตินี้แต่ตายไปเสียแล้วเจ็ดวันแล้วเสียดายหนอเสียดายหนอพระบรมศาสดาถ้าบรมศาสดาเห็นพระคุณพวกนี้นะจึงมุ่งจะไปตอบแทนคุณเพราะได้ไปเรียนได้ไปศึกษาเพราะพระบรมศาสดาไม่ห้กินทางคั้นๆพวกนั้นยืนยันว่าสมาบัเจ็ดสมาบัดแปด ที่บริกรรมว่าเป็นผู้มีสัญญาก็ไม่ใช่เป็นผู้ไม่มีสัญญาเขไม่ใช่เป็นผู้มีความจำาก็ไม่ใช่เป็นผู้ไม่มีความจําก็ไม่ใช่เป็นทางลดพล้นพระบรมศาสน า, าไม่หาจินทักัดคา ด, คาดปฏิบัติให้เหมือนพวกนั้นให้ได้ดื่มลถเหมือนพวกนั้นอีกเหมือนกันขอถือว่าอันนี้เปรี้ยวพระบรมศาสน า, า, า, าไม่คดไม่คัดคาดก็ต้องชิมดู เขาบอกว่าเกลือนี่เค็มพระบระมศาสด า, าไม่นั่งคัดค้านเฉยๆต้องเอาแสบปากชิมดูเหมือนกันเรียกว่ามัตจุ ม, า, มานมางคือมะแลนัทนะเทวบุตรมานมางคือเทวบุตรบางท่านแก้ว่าเทวบุตรมารแก้ไปทางอื่นเคลไปเราไม่พอใจพ่อประพฤติพ่อมาจันหวังเพื่อเป็นเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งก็ดีหวังเป็นเทวบุตรเทวดาก็าดีอินพรหมยมยักษ์ก็ดี ก็ไม่สามารถพ้นทุกในปัจจุบันในชาติได้แต่ว like ่าพอเป็นนิสัยได้อยู่ก็เรียกว่าเป็นมารอันนเพราะไม่สามารถพ้นทุกในปัจจุบันในชาติได้ก็เป็นมารปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารก็คือบาปอภิษสังขารสามขันธมารมารคือบัญยาขันธ กิเลสมารมันคือกิเลสอภิสังขารมารมานคืออภิสังขารอภิสังขารสามปุญญาภิสังขารอภิสังขารคือบุญอปุญญาภิสังขารอภิสังขารคือบาลาเนีชาอภิสังขารอภิสังขารคือเนีชาอเนญชาหมายความว่าสมาธิสมาบัติถ้าปไปติอยู่ในสมาธิสมาบัติยืนยันว่าสมาธิสมาบัติเป็นเราเราเป็นสมาธิสมาบัติติดอยู่เพียงแค่นั้นอการถอนอุปทานและอวิชชาตัณหายังไม่มี มันก็ไม่พ้นไปได้เหตุฉะนั้นจึงว่าจัดว่าเป็นมานแต่ว่ามานทั้งห้าขันธมารมารคือปัญจขันธกิเลสมารมารคีกิเลสไปสร้างขันมารมารคือไปสังขานเทวพุทธมารมารคือเทาบุตรมรณะมารมารคือมรณะถ้าชนะกิเลสมารแล้วก็ชนะมารทั้งสีนั้นได้หมดชนะกิเลสมารในที่นี้หมายความว่าชนะโดยสิ้นเชิงไม่ได้หมายว่าชนะในชั้นพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามี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 หลักอันนี้แหะเป็นวิพัฒนาปัญญาในทางพระพุทธศาสนาใครจะภาวนาเจ็ดวันเจ็ดคืนก็าตามจะเข้าสมาธิสมาบัตอะไรก็าตามถ้าไม่มาพิจารณาสถานีรวมนี้แล้วก็ไม่สามารถรุดพ้นได้จะถึงพระโสดาบันจะถึงพระธรราคามีจะถึงพระอนาคามีจะถึงพระอรหันต์ก็ยกขึ้นสู่ตายรักหมด แต่ส่วนจะยกขึ้นเป็นเนืองนิดหรือช่วงขณะจิตเดียวหรือสองขณะจิตหรือติดกันเป็นเนืองนิดมันก็ขึ้นอยู่กับปัญญาตแต่ละรายของผู้นั้นจะเห็นจะเบื่อหน่ายจะคลายเมาเอง ก, ก็ทำที่ทําให้พระกนทัญยะถึงปัจดาบันก็คื อ, อยังเจนจิตสมุทัยะธรรมสัพพัญจงในโรตธรรมมันติ สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับศูนยเป็นธรรมราโดยากความก็คือเทศเรื่องสังขารเทศอนิจจงโดยตรงเมื่อพระกลธัญญะเห็นชัดพระกลธัญญากรู้ตามเป็นจริงที่ได้ดวงตาเห็นธรรมก็คือเห็นอนิจจ์ชัดนั่นเองเมื่อเห็นอนิจจ์ชัดได้ดวงตาเห็นธรรมแล้ว สักตาคามีอนาคามมีอรหันต์ก็อยู่ในอุ่งมือทีนี้พอเห็นหนทางเดินข้ามแล้วขึ้นสะพานแล้วขึ้นสะพานพุทธต้นสะพานพุทธจะข้ามน้าเจ้าพญาแล้วภานิหมด พระโมกคันธ์ลาที่แสดงทางแก่กันเทวพัทพ ร, พระอาตชีแสดงก็แสดงอนิจังไม่ใช่แสดงอันอื่นใครเขาก็รู้จักอนิจังเหมือนกันทําไมเขาไม่เป็นพระอรหันต์หมดเขาเคยหูก็หัดปากก็มีเขาไม่พอใจพิจรารณาไม่สลดทั้งเวทในเขาเคยหูก็หัดปากเขาก็ว่าไปผู้ที่ผู้ผู้ใดที่เห็นชัด เห็นชัดด้วยแล้วมีอะไรเป็นเครื่องวัดอีกก็มีเซนห้าเป็นเครื่องวัดก็มีอบายามุขทุกประเภทเป็นเครื่องวัดอีกมีการค้าขายที่ไม่ชอบทำเป็นเครื่องวัดอีกค้าขายเครื่องปหารค้าขายสัตว์เป็นรายเนื้อสัตว์ที่ตัวข่าเพราะเป็นอาหารค้าขายน้ำมาค้าขายยาพิษไม่มีในพระโสดาบันโสตาโสตาณะนะแปลว่าตาปัญญา ธรรมจักอันนี้ไม่ใช่จักกะระธรรมจักสุคือดวงตาที่เห็นธรรมสรหือฤสีกลลันธรรมจักกันเองไม่ใช่ทำธรรมจักกะรไม่ใช่กลไกและเครื่องจักภายนอกธรรมจักสุคือดวงตาที่เห็นธรรมดวงตาปัญญาปัญญาจักสุจักสุคือปัญญาสมัญจะจักสุจักสุคือรอบคอบชื่อไปจะคุจะคุยทิพพุทธเจ้ากุจักกุฟ้องพุทธเจ้า มังสายจักสูจักสูคือดวงตาที่พระจักุจักขูทิพพุทธเจจักขูจักขู่พระพุทธเจ้าปัญญาจักสูจักสูคือปัญญาสมัญจะจักุจักสูรอบครอบจักสูรอบครอบก็ดีปัญญาจักุูก็ดีก็อันมีความหมายอันเดียวกันความรอบครอบก็คือปัญญาอยู่ตรงๆ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 การเวลาอยู่เสมอเป็นผู้ตื่นนี้ด้วยสติโพเทตาเป็นผู้ไม่นอนใจในวัฏจักรสงสารโพเทตาผู้ตื่นอย่างเต็มที่ก็คือพระหลานผู้ตื่นเบื้องต้นก็คือพระโสดาบันเบื้องกลางสกทาคาเมนาคาเมเบื้องท่าคือพระหลานฟุตโตเบื้องต้นพระโสดาบัน พุทโธเบื้องกลางพระสกทาคามีอนาคามีพุทโธเบื้องสุดท้ายพระละหัน์ทัาโมสังโฆก็เหมือนกันสังโฆเบื้องต้นก็พระโสดาบันสังโฆท่ากลางก็คือพระสกทาคามีอนาคามีสังโฆในเบื้องท้ายก็คือปฏิบัติชอบยิ่งคือพระละหันท่านมีจิปฏิปนูมัทเชกัญญาณังไพรละในเบื้องต้นคือพระโสดาบัน อธิกาลยาณนะังภายหลังในเบื้องต้นคือปสุวดาบันมัทเทกัลยานะังภายหลังในท่างกลางคือพระกรต า, ารามีอนาคามีปริโยสานกกัลยานะังภายหลังในที่สุดท้ายคือพระอรหันต์สมาธิของปสุวดาบันเป็นโลกุตระสมาธิจะเป็นคณิกะสมาธิก็าตามจะเป็นอุปจารสมาธิก็าตามเป็นโลกุตระเพราะมีญาณสมยุทธต์ต่างกัน จะเข้าถึงเจตุธชานก็าตามอาก า, า, ารสาั ญ, ญาจายตนะหนญาณัญจายตนะอะไรก็ตามเถิดเพราะมันผิดกันมียานสัมพยุตต่างหากเพราะสังโยชน์มันขาดนี้ไปต่างหากเพราะพวกนั่นไม่ได้เอ่ยถึง พ, พ, พระพุทธธรรมประสงค์เลยไม่ได้มอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธธรรมประสงค์เลยเข้าฌานกันดื้อๆถือตามลัทธิศาสดาอื่นอัญญสัต์ตุเทศถือศาสดาอื่นจะเข้าฌานได้สักเพียงไหนก็าตามก็เป็นโลคีอยู่เท่ากัน เพราะมันผิดศรัทธาเพราะไม่เพราะเชื่อในสิ่งที่ไม่ควรเชื่อทรัพย์ก็เป็นโลกิยะทรัพหินิก็เป็นโลกิยะหินิอดตะปะก็เป็นอดตะปะกิยาโลกิยาไม่ใช่โลกุตระการนั่งนานก็ไม่เป็นปัญหา การเดินโยกมนานก็ไม่เป็นปัญหาแต่ก็เป็นปัญหาอยู่สำหรับผู้นิสัยหยากมันขึ้นอยู่กับสติปัญญาของแต่ละลายของบุคคลแต่เมื่อมีชั้นทัะวิริยะกิตติมังสาตั้งมั่นอยู่แล้วก็สามารถจะถึงถึงที่ต้องประสงค์ซึ่งมีเหลือวิสัยยิธิทบาทคุณเครื่องให้สำเร็จความประสงค์สี่อย่างชั้นทะพอใจละไข่ในสิ่งนั้น วิริยะเพี้ยนเหมือนประกอบในสิ่งนั้นคิดต่เอาใจพะไฝในสิ่งนั้นไม่วางธุระวิมังสามันติตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นคุณสี่อย่างนี้มีบริบูรณ์แล้วอาจจ่างนำบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งมีเหนือมีใส่ในการรักกายทุจริตประพฤติกายทุจริตไม่ประมาทองในการล ะ, ละวัจเจทุจริตประพฤติวัจเจทุจริตในการละมะโนทุจริตประพฤติมโนทุจริต ในการรักความเห็นผิดทําความเห็นให้ถูกมันมีเต่เนื้อพบรมศาสดาเทศอีกอย grasp, um ่างหนึ่งระวังใจม่ให้กําหนัดในอารมณ์ไม่ได้ตั้งแห่งความกําหนัดระวังใจม่ให้ขัดเครืองในอารมณ์ไม่ได้ตั้งแห่งความขัดเครืองเพื่อบรรเทาความโกรธระวังใจมาให้โมหลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลงระวังใจม่ให้โมเมในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความโมเมา มั่นก็มีความหมายอันเดียวกันถ้ายินดีในพระนิพพานแล้วมันจะไม่มัวหมองอะไรจิตใจยินดีในคนพุกในวัฏจักองสารแล้วมันก็ไม่ติดถึงทำก็ทำในความจำเป็นไม่ถึงก็ติดอยู่เลยเถิดลมหายใจเข้าครั้งหนึ่งมีทั้งมรคนิพพานด้วยมีทั้งทําอันไม่เกิดไม่ตายด้วยหายใจเข้า มีทั้งมรทั้งผลเหตุที่หายใจเข้าผลที่หายใจเข้าเหตุต้นลมผลก็ต้นต้นลมเหตุกลางลมผลก็กลางลมเหตุท้ายลมผลก็ท่ายลมเวลาออกก็เหมือนกันจะชัดก็ชัดกันที่นั่นจะชัดในธรรมะในไหนก็ต้องชัดกันที่นั่นสนามนั่นเอาเอานั่นะเป็นสนามเอานั่นเป็นหอประชุม เป็นหอสังสรรคลงเข้าลงออกเป็นหอสังสรร์เป็นหอประชุมเอาเป็นที่วิเวกเอาเป็นป่าส ง, งบเอาเป็นที่วิเวกว้างเวงเอาเป็นสมอละภูมิคือลมหายใจเข้าออกเอาเป็นวัดป่าเอาเป็นอารันยกาวา่าแปดมื่นสี่พระธรร ม, มขันธ์มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกหมด มรรคผลที่ผ่านก็มีอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกหมดศีลสมาธิปัญญาก็มีอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกหมดสังขารก็มียทุกลมให้ใจเข้าออกหมดวิสังขารก็มีอยทุกลมให้ใจเข้าออกทำทั้งหลายมีอยู่ทรงอยู่ธรรมะอันว่าธรรมทั้งหลายฝ่ายที่เป็นสังขารก็มีอยู่ทรงอยู่ทุกการฝ่ายที่เป็นวิสังขารก็มีอยู่ทรงอยู่ทุกการส่วนจะรูปตามเป็นจริงหรือไม่อยูรูปตาเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงหรือไม่ลุดพ้นตามเป็นจริงหรือไม่มันก็ขึ้นอยู่แต่ละลายของบุคคลแต่ละบุคคล ถ้าสติแข็งปัญญาก็แข็งศีนก็แข็งสมาธิก็แข็งปัญญาก็แข็งทำอะไรให้มีสติปัญญาวิรามาเคยบอกพวกเราถ้ามีสติมันอยู่ตอนไหนปัญญาตอนนั่นก็มีส่วนสติที่เป็นโลคีสติหรือโลกุตรสติมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละรายของบุคคลอีกเหมือนกันปัญญาก็เหมือนกันศีนสมาธิปัญญาก็อันเดียวกันปัจจุบันก็เหมือนกัน ตาก็อ้างปัจจุบันปัจจุบันที่เป็นโลคีก็มีปัจจุบันที่เป็นโลกุตระก็มีปัจจุบันที่เป็นโลกุตระก็นับตั้งแต่ปัจจุบันพระโสดาบันเป็นต้นไปปัจจุบันของพระละหันเป็นปัจจุบันที่จบจิตแล้วและไม่ยึดถือในปัจจุบันด้วยและไม่สอดแทรกว่าปัจจุบันเป็นตนหรเป็นปัจจุบันด้วย ไม่สอดแทรกกับู้ลู่ในปัจจุบันเป็นตนตนเป็นผู้ลู่ในปัจจุบันด้วยมียานชั้นยุทธ์อยู่เสมอเสมอไม่ต้องบังคับไม่ต้องลำบากพราะชงนานแล้วชายคนหนึ่งเหมือนกันไปถามพระบรมศาสดากาบถวนพระบรมศาสดาทําไมถึงตอบได้ท่วงทีแท้พระบรมศาสดาท่องไม่ดอกหรือ ไม่ได้กรรมอยู่หดอกหรือเตรียมตัวอยู่ดอกหรือเออเราไม่ได้บริกรรมเราไม่ได้เตรียมตัวอยู่ดอกเราจะย้อนถามเธอเธอกําลังทํารถอยู่เยอะนี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรดุมของมันอันนี้เขาเรียกว่าอะไรกรรมของมันอันนี Asians> ้เขาเรียกว่าอะไรโกงของมันอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเผ่าของมัน คุณก็ดีเธอก็ดีคุณได้ท่องไว้หรือทําไมตอบกระฐานันแท้ไม่ได้ท่องเหตุจะไหนยังตอบกระฐานันแท้ก็เพราะชำนานและเจ้าค่าเราแต่ถ้ากดกฏงานกันก็เพราะชํานาญไม่ได้ท่องไว้กรรมฐานลมหายใจเข้าออก ดึงกรรมฐานแปด0มืีพระธรรมขันมาได้หมดไม่ว่าแต่กรรมฐาน 4, สี่ชิ้องละแปดหมื่นสี่พระธรรมสี่พันพระธรรมะขันนั่นเป็นกรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างถ้าเป็นคำเทศแต่ละอย่างละอย่างเทศแต่ละท่านละบุคคลไม่ใช่ว่าจะเทศกันหมดให้ครบแปดหมืนสีพระธรรมะขันถ้าหากว่าพ้นจิริญแล้วมันครบไปเองมัน ถ้าหากว่ากิเลสยังไม่หมดเสียแล้วจะเรียนหลบจบพระตยไปิลกก็าตามมันก็ยังใช่ไม่ได้แต่ก่อนท่านปฏิบัติที่ก่อนจึงปริยัติทีหลังระวัาางตางหูจมูเรียนกายใจมาให้เย็นดีเ ย, ยินได้ในเวลาเห็นลูกฟองเสียงดมกลิ่นรรุดถูกต้องปุจฉะรัวตาย รู้ธรรมารม์ด้วยใจอันนั้นมันเป็นตัวศีลอยู่ในตัวแล้วเป็นตัวสมาธิยอยู่ในตัวแล้วมันเป็นตัวปัญญาอยู่ในตัวแล้วมันเป็นแปดมื่นชีพระธรรมขันอยู่ในตัวแล้วธรรมจักกรรวาตนา e, สูตรมันตกลับแปดหมื่นชีพระธรรมะขันเ น, นี่ยอันั้ตลัการณตสูตรตกลับแปดม 80, ื่นชีพระธรรมะขันเนี่ยขยายออกดูสิขยายออกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนั้นก็ขยายออกจากรูปขันนามขันดูสินะแต่ละสูตรละสูตรข้อแปดหมื่นชีพระธรรมะขันทั้งนั้น นาโมตัวเดียวก็ครบแปดหมืนสีพระธรรมะขั น, นอน้อมจนไม่มีราคาโทรศัโมหะครบแปดหมื 80, ่นสีพระธรรมะขันแล้วนะพุทธังธนางคาฉามนก็ครบแปดหมืนสีพระธรรมะขันคมจนไม่โลคไม่โกรธไม่หลงถึงตจธนาคมแปรทับซับถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเต็มที่ถึงพระนิพพานอย่างเต็มที่ก็คือถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเต็มที่เพราะไม่โลคไม่โกรธไม่หลง มันก็คขาแปดเหมือนสีพระธรรมขันก็เขาเรียกว่ากาบไหวจนไม่รบไม่ปูนไม่หลง ก, ก็จบพระไตรปิดกอยู่ในตัวกระดูกอันเดียวท่อนเดียวก็จบพระไตยปิกถ้าไม่รบกระดูกที่นี่ ผมขนไดฟันมันก็ไม่หลงเหมือนกันถ้ากำหนัดกระดูกมันก็กำหนัดผมขนได้ฟันเหมือนกันนะถ้าถือว่ากระดูกเป็นเราเราเป็นกระดูกมันก็ถือผมขนได้ฟันเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลทั้งอดีตทั้งอนาคตเหมือนกันนั่เกสาอันนี้ก็ครบแปดหมื่นสี่พระธรรมขันธ์ถ้าไม่หลงเกสาโลมามันก็ไม่หลงเหมือนกันตะโจ ถ้าไม่หลงแต่โจสิงอื่นก็ไม่หลงเหมือนกันก็ควบแยกระหว่างที่พระธรรมะันเหมือนกันถ้าเห็นแต่โจเป็นของปฏิกรูนหมดสิ่งอื่นก็ปฏิกรูนไปหมดด้วยกันพอเห็นแบบไม่ลําเอียงเห็นเสอมอภาคกันถ้าเห็นหนังไม่ใช่ไม่ชัดไม่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลถ้าเห็นหนังเป็นของแม่เที่ยง เป็นทุกเป็นนิรันดา์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเกิดขึ้นเนี้ยก็แตกสลายและขาดวินไปก็เห็นอันอื่นเสมอกันหมดเหมือนกันอันเดียวกันของอันเดียวไม่เกี่ยวกับการสงสยัยทำทั้งหลายสงเคราะห์กันเขาได้แปดหมื่สี่พัน 4, พระธรรมขันธ์ก็เทศแต่ละบทละบทเทศแต่ละบุคคลบุคคลคนนั้นพ้น้วยวิธีนั้นคนนั้นไ ด, ด้ถวัวัดาวันโดยวิธีนั้นคนนั้นไ ด, ด้ถวัติดาวันโดยวิธีนั้น คนนั้นได้พระรหันต์ด้วยวิธีนั่นสถาคร า, ามีด้วยวิธีนั่นหรือลงนานกด้วยวิธีนั่นลวงนรกด้วยวิธีนี่ก็มารวมกันไว้เฉยๆแต่มีความหมายอันเดียวกันเกือจะมีมากสักเพียงไหนก็าตามเต็มแผ่นฟ้าแผ่นดินก็มีรสอันเดียวกันคือเข็มลมมันจะมีมากสักเพียงไหนก็าตามก็มีลักษณะอธิพัดไปมาเท่านั้น ไฟจะมีมากสักเพียงไหนก็าตามก็มีลักษณะที่อบอุ่นและไหม้เท่านั้นให้เตรียมไปเท่านั้นน้ำจะมีเท่าไรก็าตามก็มีลักษณะที่เอิบ อ, อาบและซึมซาบเท่านั้นดินจะมีมากกี่เท่าไรก็าตามก็มีลักษณะเป็นของแข็งอันเดียวกันทำแต่ะละวัาถุบัดก็เหมือนกันก็มีลักษณะเพื่อให้หลุดแทบพ้นทั้งนั้นให้หลุดแทบพ้นจากความเข้าใจผิด นางขันไล่โชว์แล้นางไล่ชังฮารติไล่โชว์แล้นางไล่ชังฮารติไล่โชว์แล้นางไล่ชังฮารติมันก็น่าจะเป็นบริกรรมภาวนานี่ทําไมถึงไปแตกชานแปดหมืนสี่พระธรรมขันพระที่สามพิทาสี่ด้วยนี่อืมนี่รูปไปรูปมาเท่านี้เลยไล่โชว์แล้นางไล่ชังฮารติเมื่อรูปไปรูปไปก็เห็นสิ่งที่โชกโลกหรือโชกโปะโชกมุมอยู่ในทิพย์ผ้านี่ ตรงปัญญาลงสู่ใตรักเห็นไปจากแก่ก็เบื่อหน่ายใครมาในวัฏฏะสงสารเลยแต่ฉันในปฏิสัมพิทธ์สอีกด้วยอัตถปฏิสมัมพินธ์แต่ฉันในอัตธรรมปฏิสมัมพินธ์แต่ฉันในธรรมนิรุตติปฏิสมัมพินธ์แต่ฉานในแต่ฉันในนิรุตติปฏิทพันธ์ปฏิสัมพิทาแต่ฉันในปฏิทพันคือของอันเดียวอธิบายหมดคืนก็ได้พออธิบายหมดคืนยนระมหาเดียวก็ได้ คนมากทําให้เป็นคนน่อยจะทําในด้านปัญญาจะทํำยังไงจะมากสักเพียงไหนก็าตามก็จะใต้อํานาจอนิจังได้อํานาจเอกะอนิจังอนิจังจะมีมากสักเพียงไหนก็าตามก็เอกระอนิจังในปัจจุบันเอกระทุกขในปัจจุบันเอกระานตตาในปัจจุบันนาน า, นานอนิจัง ก็ย่นลงมาถึงเอกะอันนี้จังในปัจจุบันนานาดินน้ำไฟลมก็ย่นลงมาถึงเอกดินเอกน้ำเอกไฟเอกลมในปัจจุบันนานาสมุตรก็ย่นลงมาถึงเอกสมุตรในปัจจุบันนานาเวมุตก็ย่นลงมาถึงเอกเวมุทในปัจจุบันนะ ฉันพระคุณก็ย้อนลงมาถึงเองกคุณในปัจจุบันฉันพระโทษก็ย้อลงมาถึงเองกโทษในปัจจุบันถ้าอย่างนั้นมก็ไม่ทันปัญหาของเราก็ไม่ทันความสงสัยของเราเองเราก็ไม่คลายความสงสัยถ้ามาอย่างนั้นถ้าพุทธเจ้าจะมีมาองค์สักเพียงไหนก็ตามก็ย้อลงมาเป็นองค์เดียวกัน เอกาพุโทโธในปัจจุบันพ่อมีความหมายอันเดียวกันพ่อมีความรู้อันเดียวกันพ่อมีทําเป็นอันเดียวกันทําแมลัฐทิฏฐิของตนอย่างนั้นปัญหามากๆเดี๋ยวมันสงสัยอันนั้นเดี๋ยวมันไปสงสัยอันนี้เดี๋ยวไปสงสัยอันนั้นสงสยัยไปสงสัยมามันก็สายมันก็บ่ายมันก็ค่าสายก็คือแก่มาก เป็นของสําคัญถ้าเห็นอันหนึ่งชัดอันอื่นก็ชัดหมดถ้าเห็นอันนี้จังชัดทุกมันก็เห็นชัดเพราะมันทุกมีสัมพยุตอยู่กับอานิจจังก็เห็นอนัตตาชัดเหมือนกันเพราะอนัตตามันก็สัมพยุตอยู่กับอานิจจังเพระาะธาตุสี่ดินน้ําไฟลมมันก็สัมพยุตกันอยู่ในขณะเดียวเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราพิจารณาดินดินจึงจะมีเราพิจารณาน้ำน้ำจึงจะมีมเราพิจารณาไฟไฟจึงจะมี เราพิจารณาอานิจจังอานิจจังจริงจะมีเราพิจารณาทุกขังทุกขังจริงจะมีก็ราะเป็นจริงมันมีพร้อมกันอยู่หมดแล้วน ko ี่เราพิจารณาศีลศีลยังจะมีเพราเป็นจริงมันมีศีลสมาธิปัญญากลมกืนกันเป็นขณะเดียวอยู่แล้วนีเราพิจารณาหูหูจึงจะมีเราพิจารณาตาตาจึงจะมีมันก็มีพร้อมกันอยู่หมดนี่นั่น อุบายอะไเพื่อให้หน่ายเพื่อให้ใคลายในวัฏฏะสงสารเพื่อให้หน่ายเพื่อให้ใคลายในความเกิดแก่เก็บตายอุบายนั่นแหละจะเป็นย่อหรือพิสดารก็ตามเป็นของมีกําลังมากมีกําลังของจิตของใจเป็นทางที่จะรุดพ้นไม่ใช่กําลังในทางจะหลงกําลังในทางจะสิ้นความหลงเข้ามาได้กําลังใจ ในที่นี้หม้เอาแต่สิ่งที่ดีคำว่าได้กําลังใจมันเป็นมันเป็นของกลาง พ, พวกนักโทษพวกปั้บปนประดมเขาก็ปลุกเสกกันให้ได้กําลังใจเหมือนกันให้ได้กําลังทาเหมือนกันแต่เป็นอกุศลทำเป็นปาประธรรมเป็นบาป เราไม่ต้องกำลังใจสิ่งเหล่านั้นเราต้องการกำลังใจกำลังทำเพื่อลดพืพ้นเท่านั้นมีปัญหาอันเดียวเท่านั้นมีคิวอันเดียวเท่านั้นไม่ได้จองหลายคิวมนุษย์ก็จะจองสวรรค์ก็จะจองเออมันก็ไม่ไหวละพรห ม, มโลกก็จะจอง เขามาจองกับความประสงค์อันเดียวกันกับเจตนาอันเดียวกันถ้าไม่มีเจตนาก็ทําไม่ได้ถ้าไม่ีประสงค์ก็ไม่มีประสงค์ก็ทําไม่ได้เช่นจับกระโถน ก, ก็ต้องมีประสงค์เสก่อนเช่นวางก็ต้องมีประสงค์เสก่อนก็ต้องมีเจตนาเหมือนกัน คำว่าแต่ว่าจับเป็นแต่ว่าวางเป็นอุบายถอนอุปทานนี้เป็นแต่สักว่าจับเป็นแต่สักว่าวางเป็นอุบายถอนอุปทานเป็นแต่สักว่าพูดเป็นแต่สักว่าฟังก็เป็นอุบายถอนอุปทานเป็นแต่สักว่าเสียงเป็นแต่สักว่าหู เป็นแต่สาวกพูดดังเป็นแต่สาวกพูดค่อยมันเป็นอุบายถอนอุปาทานต่างหากอันนี้อุบายถอนอุปท า, านเป็นตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญาหรือไม่ก็อันเดียวกันนั่นเหนื่อยแล้วทีนี้หมูเพื่อนสงสัยอะไรก็ถามทีนี้ไม่มีอ่ะไม่มีสิ่งที่จะสงสัยละทีนี้ จะสงสัยอะไรไปอีกไม่มีนะภาวนาไปจะไปเห็นอะไรก็ตามเทวบุตรก็ตามเทวดาก็ตามเห็นแสงสว่างก็ตามน้อมลงสู่ใจละเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวน แ, วแต่สลายเท่านั้นแหละมันมีลุ่ไม้เท่านั้นแสงสวาง่างพระอาทิตย์มันสว่างถ้าเราไม่แก้ความหลงเรามาเห็นได้อะไร<อ>มันสว่างยิ่งกว่านิมิต ท, ที่เรามานแสงพระอาทิตย์แสงเหล่านี้มันก็สว่างเหมือนกันเลย เท้บุตรเทวดาก็ตามเทวบุตรก็เทวดาก็อยู่ใต้อำนาจอนนี้จังสุขขังอนัตตาเหมือนกันแลหละพระอินพระผมพระยมพระการจุทธโลกบาลก็เหมือนกันอเมริกาก็รวยสี่สิบห้าสิบชั้นก็มีสาสิบชั้นก็มีสามสิบชั้นก็เวลาอันนี้จัง ก็ทลายแตกสลายลง3าม0สี่ชั้นเหมือนกันล่ะอ่าอืใช่เลี้ยนดอลล่าก็แย่งกันอยู่จนล่าสมัยน่ะตายคาดอลล่าเนี่ยแย่งกันอยู่ในไตโลกธาเน่ยแข็งดีกัน เขาต้องการเลียนดอนร่าแต่ก็ตายคาเลียงดอนร่านะเป็นประเเฝ้าเรียงดอนล่าเลูกเราออสเตเดียนะคุณนะ เออใช่ เ, เียนดหนลาเหมือนกันใช่นลานคนไทกันไปนออสเตรเลียดันลานนอสองพันกิโลหรือจากจากออสเ ต, เตรเลียไปหาบ้านคุณแชทไม่ใช่ครัะะบพอมไปที่สหัสแล้วพอมไปยุที่สหัสตัวหนก็นกระดากระดาดี้ก็พอมอยู่ภาคใต้แล้วก็ท่านแชทอยู่ภาคเหนือ ใกล้ๆขนาดไหนจากบ้านของคุณไป15000สองพันกิโลประมาณแต่นี่ไปกรุงเทพกว่าเพียง800รกิโลเก้าร้อยกิโลมันไกลริบหรีนี่อืมเขาใหญ่มากอ๋อใหญ่มากที่อื่นก็มีมันละมันละกลางไม่ใหญ่ได้แล้ก็ใหญ่กว่าประเทศไทย15เห้า ประเทศอเมริกาไม่ใช่ออสเตเียเเป็นทวีปกวีปเป็นมนัดเดียวเป็นนัดเดียวหรือเป็นดว่ามนัดเียทามันเป็นทวีปนะครับทวีปออสเตเดียเอ๊มันเป็นมหาสมุทอะไรมหาสมุทอินเดียโอ้อินเดียกับแปซิฟิกกับซัทเวลาผี่กัน เปทพด้วยทศนด้วยดรป็ ป, ป, ป็นเป็นิบ็็เกาะเาใหญ่เกาะประเทศที่มนุษย์เราอยู่นี่ก็คือเกาะนะประเทศใหๆก็เหมือนกันก็คือเกาะมหาสมุทรนะประเทศใดๆก็ต้องเกา ะ, ะนะเพราะเพราะน้มเป็นห้าส่วนหรือแผ่นดินสามส่วนหรือ ในโลกไงในโลกมนุษย์ช่ถูกไห ม, ม, มถ้าเป็นหน้าห้าส่วนพวกมนุษย์โลกเขาอยู่ตามเกาะกันถูกไหมขอโทษบู <laughs> อือ อยู่ใต้อำนาจอันนี้จังอีกเวันกันละโลกที่จะกว้างสักเพียงไหนก็ตามเถิดนะฮะสมุดก็เหมือนกันเมื่อหมดศาสนาของพระเมื่อหมดยุคไม่ใช่มดศาสนามดยุคพระศาสนาหมดไปเป็นมดยุคของพระโคดมแล้ว สมัยแล้เอาเวลาขราวเวลาชั่วคราวเรียกว่าสมัยหมดสมัยของพออระโคดมแล้วหมดสมัยของพระศรีเมตตาอีกโลกก็ต้องตั้งขึ้นใหม่เรียกว่ากลับหนึ่งไฟต้องไหม้หมด เกิดอันตรธานหมดมหาสมุทรก็ตั้งขึ้นใหม่ภูเขาก็ตั้งขึ้นใหม่ไงบ้างมหาปฐมมากับปฐม ม, มูลสร้างแผน่นดินขึ้นใหม่คนก็ลงมากินง้วนดินกันมีคนเกิดขึ้นพวกอัชระพมพวกอาพัชระมลงมาเกิดนเี เขาจำชาติมาได้ก็มากินมวนดินที่นี่อยู่มาอยู่มาอยู่มาอยู่มาเนี่ยต่างก็เอาไปไว้ที่นี่ไหบ้านไว้เรือนของใครของมันก็เกิดรักศกยกหอกันแล้วก็เลยวางอธินาทานขึ้นเป็นยุคเป็นยุคเป็นยุคเป็นยุค เป็นของเก่าเพิ่การค่าสัตรตัดชีวิกวญญตก็บรรยากัขึ้นโลกมีอายุยืนขนาดไหนไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายกับนี่มากกว่าล่านกับ กับหนึ่งหนึ่งก็มีพระพุทธเจ้า5องค์องค์บางสามองค์บ้างสององค์บ้า ง, างาแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้งองอสงไยอสศงไกกับอีกเหมือนกันเหตุฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงเป็นของลึกซึ้งกว่าศาสนาใดๆทั้งสิน้นคำสอนและคำรู้ เป็นศาสนาที่เลิศกว่าโลกอยู่ทุกยุคทุกกาละเทศะทุกสมัยอีกด้วยผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนามันก็เป็นวิชาพ ม, มาโลกอยู่แล้วส่วนจะเป็นโลกีหรือโลกุตระมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละายของจิตใจของบุคคล อปริพาชกคุยกันอยู่ที่ศาลาเรื่องวิชาพมรลกเขาบรมลมาสาธดาเห็นเขาคุยกันก็เลยเลยแวะเข้าไปหา้าอุบายแวะเข้าไปเมื่อเขาคารบเราก็จะแสดงธรรมเมื่อเขาไม่ขอรบเราก็จะไม่แสดงธรรแต่ว่าเขาคุณให้นั่งเขาขอรบอยู่เอวิชาพมรลกเราจะท้าคดเมตญาเหมือนพวกคุณหรอก เรื่อมสายในประพุท ธ, ธรรมประสงค์เท่านั้นแ่ะไม่เรื่อม ส, สายในศาสดาอื่นๆก็ได้วิชาปรมโลกดอกส่วนที่จะเป็นโลกีหรือโลกุตระมันงขึ้นอยู่กับสติปัญญาของแต่ละไายถาราบรมศาสด า, าไปพูดกับเขาถ้าบรมศาสด า, าอวดดีไหม ชูงวงไหมชูงวงไปสู่ศาสนาอื่นๆหร้อไม่ไม่ได้อวดดีไม่ได้ชูงวงพระบรมศาสดาพูดตามเป็นจริงเฉยๆบาลปตามเป็นจริงเฉยๆเพราะความอวดดีความชูงวงไม่มีในกันทาสดาลของท่านแล้วทรงพรมหาเมตตาเฉยๆในสังคมหนึ่งหนึ่งถ้ามีผู้จะถึงพระสวสดาบันอยู่ พระบรมศาสดาโคทรงสเสด็จไปในทั้งคมนั้นนั้นจะไม่ได้ใครก็ตามเช่นหญิงคนหนึ่งทอหูอยู่พระบรมศ า, ษ า, ษาสดาทรงสเสด็จไปนางลูกหรือไม่ลู้พระเจ้าข้านางมาจากไหนไม่รู้พระเจ้าข้า นางจะไปที่ไหนไม่รู้พ่อเจ้าค่าคําว่ารู้อยู่หมายความว่ารู้ว่าจะตายคําว่ามาจากไหนไม่รู้ว่ามาเกิดแทงไหนมาจากไหนมาเกิดคําว่าจะไปไหนหมายความว่าตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนนางไม่รู้นางก็บอกว่าไม่รู้เอ๊ะแล้วท้อหูกอยู่พระบระมศาสาดาถาม ก็ไม่ได้ความนางอันนี้คนทั้งหลายกองตรูกันมาฟังเพศนว่เขาก็ไม่เรื่กใสพระองค์ในสังคมนะไม่ก็อา่อะใจถ้าโนนบอกว่าเออเขาไม่เรื่กใส่แล้วจะอยู่ทำไมเพรเราไม่ใช่เวลเออเรามาที่วังเพื่อนางคนนี้คนเดียวมันถูกในขายในญาณของานางคนนี้ ถึงพระโสดาบันในวันนี้แ ล, แล้วมด้มาเพื่อคนอื่ น, นพระโรมสารีริกธาวานนุนน่ะมเด็จพระโสดาบนนันที่ทองอวกุ ถ้าเราเห็นภัยในวัฏสงสารเราดิ้นรนเพื่อลุดเพื่อพ้นโดยสิ้นเชิงก็ให้ทราบเถิดว่าบารมีของเราแก่กล้ามาแล้วเราไม่เป็นกรรมฐานหมูเราเป็นกรรมฐานนกเขานกกระทา ตัดสินเอาเองก็ได้มันเวียนกรงของมันอยู่ถ้าหากว่าเรารุ้พ้นไปแล้วเป็นชั้นชันไปก็ดีหรือโดยสิ้นเชิงก็ดีก็ให้ทราบเถิดว่าเราบาลามีเต็มเลยเป็นแอกบัวบาลเลยมันมีเครื่องทดสอบอยู่เหมือนกัน<ม>เราประพฤติพรหมจรรย์ เราไปทางไหนก็ต้องมีคนกราบไหว้จนมือเป็นงอนเราจึงจะยอมมาพฤติผมมาจัน์ตายแล้วเกิดตาแล้วเกิดตาล้วเกิดตายแล้วเกิดตาแล้วเกิดเร า, เ ก, าเ ก, ก็มาได้ประพฤติหนึ่งเพราะในยุค ข, ของพระบรมศาสด า, ศ า, ศาท่านก็ได้เพียงเขา เขโคเท่านั้นส่วนขนโคมันไปไหนหมดนี่นั่นก็เพราะมันยังมากมันจึงมีพระพุทธเจ้ามาเป็นยุคเป็นยุคเป็นยุคเป็นยุคเป็นยุคเป็นยุคเป็นยุคเป็นยุคถ้าไม่มีพระพุทธพระสมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นยุคยุค มันจะเยียดสรรพทุกข์มากกว่านี้เพราะผู้ไปในรกก็มีผู้ไปสวรรค์ก็มีผู้ไปพรหมก็มีผู้ไปเป็นพระสวาสดิบาก็มีผู้ไปเป็นสกทาคามีก็มีผู้ไปเป็นพระอรหันต์ก็มีผู้ไปเป็นพระอนาคามีอยู่ในอวิหาอัตปาสุทธิสาสุทธิสีสอกนิธิธกาก็เต็มยัดเยียดอยู่ถ้าหากว่าลงนรกแข่งเดียวกัน มันจะสันปะทุกกว่านี่นะอืมถ้าเป็นมนุษย์แห่งเดียวกันก็มันมีโรคอยู่อีกละวเบี่ยงไปเ ป, ป็นไปเป็นสัตว์ติรช า, บานบ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างตามกรรมของใครของมันพระสัตว์ทั้งหลายสร้างเอาเทวโลกสัตว์ทั้งหลายก็สร้างเอานิพพานสัตว์ทั้งหลายก็สร้างเอานรกสัตว์ทั้งหลายก็สร้างเอาไม่ใช่พอบรมศาสดาสร้างเป็นเพียงแนะนำเท่านั้น ชัดในในรอกเมื่อลอาขอนายนิรยาบาลว่าอย่าทําโหดไร้นะพระเจ้าข้าอย่าทําโหดไร้นะครับกรดีเออเราไม่ได้ทําโหดไร้ดอกกรรมของเราเหมือนกันเราไม่อยากมาคุมพวกท่านหรอกแต่ว่ากรรมของเรามี ชัดบางตัวก็มีเวลาสังสรรค์กับโยมพิบาลบ้างโยมพรบาลบ้างเป็นกรมอะไรจึงได้มาเป็นอย่างนี้โอ้เราไม่ได้ฆ่าชัดดอกแต่เราเห็นเขาฆ่าเราก็ดีใจเราไม่ได้รับทรัพย์ประติผิดในกลางข้ออะไรข้อหนึ่งดอกแต่ว่าเขาเห็นเขาทำเราก็นึกสนุกก็ขาบ้าง แต่เราไม่ ล, ง, ลงมือทำหรอกเป็นเพียงเราพิจิตยินดีกับเขาบ้าเท่านั้นแหละกรรมนั่นจึงได้มาเป็นไหนนี่เลยจะบาลเราก็ไม่อยากมาหรอกกรรมของใครข้องมันที่พวกคุณพวกเธอมาอยู่นี่ก็ไม่ใช่มีพระผู้เป็นเจ้าสร้างไว้ก็พวกคุณพวกเธอสร้างไว้เหมือนกันผมก็เหมือนกันผมก็สร้างไว้เหมือนกัน เช่นนันทะมานุกสร้างกุฏิไหวอยู่ในมนุษย์โลกพระโมกคลาขึ้นไปเห็นในเทวโลกวิมานของใครถามเทวบุตรเทวนาโยบวันวิมานของนันทะมานุกเดี๋ยวนี้เขาอยู่ที่ไหนก็อยู่มนุษย์โลกเขากำลังสร้างกุฏิวิหารให้สร้าอยู่ พระโมคคณากรเลยลงมาลงมากาบทุนพระบรุมศาสดาคนเราทั้งหลายที่ทำดีความดีเกิดขึ้นในเมืองสวรรค์ไรคอยมีอยู่หรือพระเจ้ายข้าก็ผู้เขาปาฏิหาริยสวรรค์มันก็มีอยู่แต่ผู้เขาต้องการเข้าสู่พระเนรพลในชาตินี้มันก็ไม่มี ม, มันก็ไม่มีก็เกิดปัญญาของเขาขึ้นต่างหา ถ้าผู้เขา ส, สามารถจะสำเร็จวัตถุนิพพานในชาตินี่นมันไม่มีแล้วละ่ะวิมาร น, นั่นเพราะเจตนาของเขาเป็นโลกุตระไปแล้วถพูดถ้จถเจตนาของเขาเป็นโลกีมันก็มีมีคอยอยู่เหมือนกันโลกุตระที่มีอยู่ก็มีอีกเหมือนกันเช่นพระอนาคามีพระสวัสดาวันมันก็มีอยู่แต่ผู้ต้องแต่ผู้จะสำเร็จ ในปัจจุบันในชาติเนีถึงจะทำดีแั่เพียงไหนก็ไม่มีมีแต่จะถึงพระลหันเท่านั้นถ้าผู้สามารถได้พระละหันในปัจจุบันในชาติที่เกิดนะ่ะความดีในสวงสวรรค์ไม่มีในเทวโลกก็ไม่มีในพรมโลกก็ไม่มีก็มีแต่ความรู้ความฉลาดจะเกิดขึ้นเพื่อพ้อนจากเกลียดก็มีพระนิพพานอย่างเดียวเท่านั้น แต่ผู้ดสิยังไม่พูดมันก็ต้องมียังม่พูในปัจจุบันในชาติอืเธอไปเห็นแล้วก็เธอมาถามเราทําไมพระโพธิาัตว์เราเธอก็ไปเห็นแล้วที่นี่ศาสนาอื่นบอกว่าพระพุทธ เ, เจ้าผูบเป็นผู้สร้างพระพุทธ เ, เจ้าภายนอก แต่พระพุทธศาสนาก็บอกว่าพระผู้เป็นเจ้าสร้างเหมือนกันก็พราะผู้เป็นเจ้าจิตพระผู้เป็นเจ้าใจนเป็นผู้สร้างท่านทวนมานี่สมบรมศาสานาก็กว่าพระผู้เป็นเจ้าสร้างเหมือนกันแต่ว่าพระผู้เป็นเจ้าของใครของมันไม่ฮะเป็นผู้สร้างขึ้นบาปก็ดีบุญก็ดีนั้นเขาบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าภายนอกสร้างเช่นพระยาเยเยชูเป็นต้นเยชูหรือเยซูเยซูตัวซอนะเออ หนังส <dri ality> mm ือมัดไทยก็เป็นเรื่องพระเยซูนะหนังสือเห็นแต่ก่อนเขาบอกว่าหนังสือมัดธายแต่เดี๋ยวนี้เขาชื่อใส่ชื่ออะไรก็ไม่ทราบหรอกตัวทอตัวทอธงสละอ้ออย่ามวทอทหารจะกดแล้วเราได้เห็นหนังสือกระดาแเราอ่านไปดู พระองค์ท่านแบ่งขนมปังให้ก้อนหนึ่งก็สามารถอิ่มได้ทุกๆคนเร า, อ, าอ่านไปนิดเดียวเราก็เลยทิ้งเห็นหนึ่งซื้อไปเดียวก็ไม่จริงพระเยซูนั่นเดิมท่านมีกรรมบุตรสิบเหมือนกันกายกรรมสามวาจีกรรมสี่มนุกรรมสาม ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพไม่มาพูดผิดในกรรมไม่พูดเท็จไม่พูดสอเสียไม่พูดคำหยาบไม่พูดพูดเพื่อไม่พยาบาทผู้อื่นไม่ปองร้ายผู้อื่นเห็นชอบจำทำนองคองทำพอมาบทสิบขั้นท่านมรณภาพแล้วผู้สืบศาสนามาที่ลัง ก็มาแปลงลัทธิขึ้นอีกว่าฆ่าสัตว์ได้บุญเดิมท่านแห้มาในค่าสัตว์ดอกพระเ ย, ยซูแต่ ว, ว่าวิชาของท่านไปพรมมารุกไม่ได้ถึงกระเพาะดาวันหรอกท่านไปพรมมารุกไปเพียงพรมมโลกไปเทียงเพียงเทวโลกไม่ใช่มมพรมโารุกเทียงเทวโลก